ที่เราได้ใช้ชีวตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรทีเราเคผ่านยิ้มและัวราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีถ้าว่าไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเงินเขาเราจะยังรักกันหรือเปล่ถ้าไม่ปล่อยเมื่อกันจะกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไร รักแรกนันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะจากไปเ้าสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆแต่รู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น ไม่เมืฉันชีวิตทบงไงคิดถึงกันมากมายสนฉันก็คิดถึงเธออยู่สำซนก็วังเพียงอยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว้ฉันอยากให้เธ อ, อ I can s ที่ยังคงหวนอยู่ส้ำซ้อนยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะไม่ไม่ฉันชีวิตท้อยป็นไงเคิเธึงกันบาดไม้ตรงฉันก็คิถึงใจออยู่สมสซ้ำหวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุดใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเราเ้อ